วันละเกือบครึ่งชั่วโมงอันนี้เฉลี่ยนะบางคนอาจจะเป็นชั่วโมงแต่ว่ากลับรู้สึก ว, ว่าตัวเองเนี่ยนะสวยเนี่ยน้อยกว่านะนนี้า จ, จะแสดงว่ า, าผู้หญิงไทยเนี่ยนะมองตัวเองในแง่ลบนะ 99% เนี่ยคิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยนะนะซึ่งถ้าไปถามไปถามคนต่างชาตินะไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียเนี่ยคงจะคิดว่า คนเลขนี่ 99% นี่มากไปนะที่คิดว่าตัวไม่สวยนะเพราะว่าฝรั่งเขาไม่เห็นเขาเพราะว่าโอเกินครึ่งนะสวยนะแต่คนไทยเนี่ยกลับมองว่าเกือบ1้0เปอร์เซ็นีนะคิดว่าตัวไม่สวยมันบอกอะไรนะถึนะงน้อยก็มันก็บอกว่ามองตัวในแง่ลบหรืออาจจะเป็นเพราะ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 แล้นี่ก็เป็นเหตุทำให้คนไทยนะ่ยเด็ผู้หญิงไทยเนี่ยนะแพ่กันไปผ่าตัดเสริมทรงนะทั้งจมูกทั้งคางทั้ง อ, อะไรต่ออะไรสาพัดนะซึ่งก็งแล้วแต่เป็นเงินเป็นทองมหาศาลทั้งนั้นตัวเลขที่ว่านี่ก็ใกล้ๆกับอเมริกานะอเมริกาเาบอกว่าผู้หญิงประมาณ 98% เนี่ยจะรู้สึกว่าตัวเองอ้วน เกสิปเ็ลยนะเรียกว่าเกิดจะลอยทั้งลอยตัวตัวเนี่ยน้ำหนักมากไปซึ่งถ้าเราไปสังเกตดูผู้หญิง อ, อเมริกันเนี่ยคงจะไม่ถึงกับลอยทั้อยที่อ้วนนะแต่ว่าเขารู้สึกนันจริงๆนะเกิดจะลอยท้งลอยเลยแล้วก็ประมาณแปดสิเอร์เซ็นเนี่ยไม่พอใจในรูปร่างหน้าตาของตัวอันนี้ก็แสดงว่าเขามีความทุกข์มากก็ไม่ทราบว่าเก้าเก้าปอร์ผู้หญิงไทยที่คิดว่าตัวเองไม่สวยเนี่ยมีความทุกข์หรือเปล่าหรือมีความไม่พอใจ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 อยากกินแต่ว่าไม่อยากให้อ้วนแล้วจะทํา จ, จะทํำยังไงก็มีหลายคนถาไปใช้ทางรัดนะะไม่ใช่พ่าเอาไขามันออกจากร่างกายนะแต่ว่าใช้วิธีที่เขาคิดว่าอันตรายน้อยกว่านะก็คือกินพยาธิกินพยาธินะเขาก็เห็นคนที่เป็นพยาธิเนี่ยกินพยาคนที่มีพยาธิเนี่ ย, ก, ย, ย, ยก็จะผอมก็จะเพรียวใช่ไหม ก็เห็นคนที่มีพิษยาเนี่ยเช่นพิษยา ต, ตัวตืดนนะเปรียวนะเขาก็อยากเปรียวแบบนั้นบ้างก็เลยนะกินกินพิษยาเข้าไปมีแคปมีส่แคปซูลขายนะทางอินเทอร์เนต็ตแล้วไม่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันมีคนซื้อเยอะมากทีเดียวไม่ใช่เฉพาะในอเมริการในฮ่องกงในจีนนี่ก็มีของขนาดนี้เลยนะคืออยากจะ้อมมากนะจนทั้งไปซื้อ ไปกินนะพยาติแล้วก็เพลียวจริงนะผอมจริงนะแต่ว่ามันอันตรายนะอาจถึงตายได้ <c oughs> อันนี้มันแสดงถึงความความความทุกข์และความเจ็บป่วยของผู้คนนะคือแต่คิดว่ า, าการกินพยาาินี่เนะี่ยมันจะมันจะช่วยตัวเองได้เป็นการติดยึดในร่างกายในรูปร่างนะของตัวเองมากจนกทั่งทำอะไรก็ได้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 อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ไป็นอิทธิพล ข, ของขานนี่อิทธิของอวามบันเทิงอุตสาหกรรมการบันเทิงด้วยนะเพราะว่าเขาเห็นนางแบบก็ เ, เห็นดาราเนี่ยพร้อมนะเขาก็อยากจะพร้อมอย่างนั้นบ้างแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยรูปร่างไม่ดีทั้งใน ท, ที่จริงแล้วเนี่ยในโทรทัศน์นะดาราละครหรือว่าพวกนางแบบเนี่ยเป็นแค่คนส่วนน้อยมากๆเลยอันนี้คนในยุคนี้เนี่ยเขา เขาตกเป็นเหยื่อของการโฆษณานะแล้วก็เป็นเหยื่อของอาการสร้างภาพนะให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะอ้วนเกินไปและมันก็สะท้อนหนึ่งการมองแง่ลบด้วยคือมองเห็นแต่ข้อตําหนิของตัวเองเมื่อสักสองสามปีก่อนมันมีคลิปวิดีโอของสินค้ายี่ห้อหนึงนะเป็นสบู่แล้วก็แชมพูสระผมเนี่ย น่าสนใจมากประมาณสองสมนาทีเค่นั้นเองเขาเริ่มต้นโดยการสัมภาษณ์นักวาดสกเก็ตภาพซึ่งทำงานให้กับ FBI ด้วยคือเขาทำหน้าที่สกเก็ตภาพคนร้ายรปจักพยายนก็จะเล่าว่าคนร้ายนี่หน้าตาปเป็นยังไงเขาก็สกเก็ตแล้วก็สกเก็ตได้เก่งมากฟังจากคำบอกเล่าเขาก็สกเก็ตได้ถูกแล้วก็ให้ผู้ชายคนนี้เนี่ย สะเก็ดภาพของผู้หญิงซึ่งนั่งอยู่ข้างๆเขาโดยมีโดยมีโดยมีม่านในกั้นเอาไว้ผู้หญิงเนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรคางเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรจมูกเป็นอย่างไรผู้ชายก็จะวาดภาพผู้หญิงไม่รู้นะว่าผู้ชายเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆตัวเองเนี่ยกําลังวาดภาพตัวเอง คงจะเดาได้เพราะผู้ชายก็ถามว่าคางคุณเป็นอย่างไรหน้าคุณเป็นอย่างไรแล้วเขาก็สกเก็ตภาพตามที่ได้ยินจากคําบอกเล่าผู้หญิงก็มีผู้หญิงทําแบบนี้ประมาณสิบคนยี่สิบคนได้เขาก็สกเก็ตหมดนะเห็จแล้วเขาก็จะให้คนที่รู้จักผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผู้หญิงแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยซึ่งอาจจะรู้จักกันชั่วคราวนะอาจจะได้เจอกันประมาณสักชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงแล้วก็จะให้คนที่เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยก็มานั่งในที่ที่เดิม มานั่งแทนแล้วก็เล่าว่าเนี่ยผู้หญิงคนเมื่อกี้เนี่ยเขาหน้าตาเป so ็นอย่างไรคางเป็นอย่างไรผมเป็นอย่างไรเพราะนั้นก็ได้ภาพสองภาพนะภาพนึงเป็นภาพที่เกิดจากคําบอกเล่าของเจ้าตัวอีกภาพหนึ่งเกิดจากคําบอกเล่าของคนที่ได้เห็นแล้วเขาก็ภาพสองภาพมาเทียบเคียงกันภาพซ้ายเป็นภาพที่เกิดจากคําบอกเล่าของเจ้าตัวภาพขวาเป็นภาพที่เกิดจากคําบอกเล่าของคําพรันนาคําบรรยายของคนที่เห็นเจ้าตัว บอกว่าภาพขวานี่จะสวยกว่าภาพซ้ายภาพเลยนะแล้วเขาก็จะเชิญเจ้าตัวนี่มาดูภาพเจ้าตัวมาเห็นภาพของตัวเองซ้ายแล้วเห็นภาพของเพื่อนที่พูดถึงตัวเองแล้วเขาก็แปลกใจโอ้โอให้ภาพที่ตัวเองเล่าบรรพันานา น, านงตัวเองเนี่ยมันไม่สวยเลยมันแต่ว่าอะไรมันแต่ว่าทุกคนเนี่ยมองตัวในในแง่ลบนะ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 ลบในหลายเรื่องที่เดยวไม่ใช่พาะเรื่องความสวยเท่านั้นอันนี้ก็เอาไปพิจารณาดูน ะ, ะเตรียมรับพอ